ก็ดีคนละอันละอันไปคนละอย่างแต่ทำไมเราจรึงศึกษาศาสนาพุทธมีเหตุผลเป็นอะไรบ้างตอบคุณพวกคุณครูตอบพวกนั้นไปใช่ห่ืหัน ก็ทำไมเราจึงเขารบนับถือพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นๆไม่มีดอกหรือศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนดีเราก็รู้อยู่แต่ว่าอันไหนดีกว่ากันมีเหตุผลเป็นยังไงศาสนาพุทธผู้สร้างบรณีแก่กามาแล้ว ก็ย่อมเคารพนับถือพุทธศาสนาเพราะศาสนาพุทธเป็นโลกุตละศาสนาผู้บัญญัติเป็นพระสมาสุพุตเจ้าอย่างเต็มที่ไม่มีกิเลสผู้มีกิเลสบัญญัติความดีความชั่วมันก็บัญญัติเข้าข้างตัวบ้าบัญญัติเข้าทา่าข้างพักของตัวบ้าไม่เป็นธรรมอาทิปไต ผู้มีมีเกดก็บัญญัติเป็นธรรมาทิปไตัยไม่เข้าข้างพรรคข้างพวกของใครเลยถือทำเป็นใหญ่เรียกว่าธรรมาทิปไตยเหตุฉะนั้นผู้สร้างวารมีแก่กล้ามาแล้วจึงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นคนโง่ดอกหรือทำไมมีน้อยแท้ก็เพราะผู้ตาสูง ตาดีปัญญาเก่งมันมีน้อยผู้ปัญญาสามมีมากใครอยู่ระดับใดก็ต้องเคารพระดับนั้นผู้ที่เคารพพระพุทธศ า, ส, าธสนาเป็นผู้สร้างบา ร, รมีมาแก่กล้ามาแล้วจึงยินดีในพุทธศา ส, าสนาแมลงวันกับแมลงพึ่งอันไหนสร้างบา ร, รมีแก่กล้าต่างกันสังเกตได้อย่างไร ถ้าจะให้เราตอบไม่เข้าข้างตัวเราก็ต้องตอบว่ามแมลงพึ่งสร้างบารมีแก่กล้ากว่ามแมลงวันมแมลงวันเลื่อมใสหมดพูดใช่ไหม <c oughs> นี่ไม่ได้พูดเข้าข้างตัวใครก็จะมองเห็นอยู่ว่าใครจะชอบมแมลงวันหรือชอบมแมลงพึ่งก็ต้องชอบมแมลงพึ่งก็ต้องตัดสินแมลงพึ่งให้เป็นผู้ใจสูงกว่า แต่เป็นธรรมชาติของมันมันก็เป็นธรรมชาติของมันมันก็อ้านธรรมชาติของมันธรรมชาติอ่านว่าธรรมชาติแต่ว่าธรรมชาติที่ไม่ดีธรรมชาติที่ดีคนอ่านว่าคนคนดีก็มีคนชั่วก็ ม, คกมีคนเป็นคํากลางสศาสนะก็เป็นคํากลางนะักก็ต้องเลือกอีกผู้มีกิจอยู่ระดับใดก็ถือว่าระดับนั้นดี พระพุทธศา ส, สนาสอนโลกมนุษย์สมบัตสอนดีแล้วเต็มภูมิไม่มีข้อยแย้งเลยสวรรค์สมบัติก็สอนดีแล้วไม่มีที่แย้งพรหมสมบัติก็สอนดีแล้วเป็นลำดับเป็นขั้นตอนไปนิพพานสมบัติอีกด้วยนิพพานสมบัติเพื่อให้เห็นโทษในวัฏสงสาร พระวัดทาสงสารเต็มไปด้วยแก่เก็บตายแล้วโรคกวดหลงเวีนสนองเวียนไผสนองไัยอยู่ทุกหย่อมยา่าหเหตุนั่นจึงมีพระนยพานสมบัติอีกนั่นนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจผู้ฟังและผู้พูดพระพุทธศาสนาจับหลักอะไรมาเป็นแหวนเป็นกระจกเงามาเป็นดิง่งทําเป็นโล ก, กรบาลคุ้มครองโลกสองอย่าง ความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะกุ้งครองโลกได้ถ้าไม่มีอย่างอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายกัดหมู่กัดพักกัดพวกก็ตั้งไม่อยู่อูข้องคำไม่นําคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทําความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทํำในที่รับนั่นนั่นนน่นน่นถ้าไม่มีอย่างอายต่อบาปจะตั้งไว้กี่รัฐานมาตรามันก็อยู่ที่มาัตรายมันก็อยู่ที่ หนังสือไม่ได้อยู่ในสื่อใจของมนุษย์นั่นเหตุข่านั้นจึงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาจึงยอมเคารพนับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้นับถือแบบตื่นกระต่ายตื่นตูมหรือแบบโลกาธิปไตยเห็นโลกเขาถือก็ถือเคารพนับถือแบบธรรมมาธิปไตยมีศรัทธาเชื่อเหตุเชื่อผลด้วย นับถือตามเหตุผลความดีเ sì, ราทำแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้รู้นั่นความชั um ่วเราทำแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้รู้นอกจากใจไม่มีอะไรเป็นผู้รู้นั่นเราโกหกเราก็รู้ว่าโกหกอยู่นั่นความลับไม่มีในโลกนัทถีโลกกและหัวนามะความลับไม่มีในโลก เราไม่โกหกเราก็รู้จักว่าเราไม่โกหกเราทำดีเราก็รู้จักว่าเราทำดีอยู่เราทำชั่วเราก็รู้จักว่าเราทำชั่วอยู่แต่เราปฏิเสธก็รู้จักว่าเราปฏิเสธอยู่เราซื่อตรงเราก็รู้จักเราอยู่นี่นัตติโลเกและหัวดำว่าความรับมัมีในโลกเรานึกอะไรเราก็เห็นอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวนี่นั่นันั่นทาอะไรก็ทาให้เราเราคือใจใจคือเราตามสมมติน่ะเอา กฎหมายกฎหมูกฎดทักพ ก, กพวกตั้งไว้แล้วเราบิดเพรียวทีนี้แต่ผลของกรรมมันมีอยู่ถ้าผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันล้มปูไปยิงนกเขาตัวหนึ่งอายุสิบห้าปีพอถึงห้าหกปีมาเนี่ชที่ร่วงมานี่ระเบิดออกเนี่ยระเบิดออกเนี่ผลของกรรม กืไปโรงพยาบาลไม่ทันโรคหัวใจระเบิดออกนี่บุคคลผู้ทําดีก็จะได้รับผลดีผู้ทําชั่วได้รับผลชัว่วกรรมวินาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกําให้ผลในภพนี้ในภพหน้าให้ผลในภพบสืบๆให้ผลในเป็นในพบเป็นลานับให้ผลในตามกิจที่ทําตามกิจที่ทําที่ธุระที่ทําให้ผลตามกิจคืออะไรคือเราไปเหยียบไฟมันกร็รอดในเวลานั้นเรียกว่าให้ผลตามกิจนะเราไปรักเขามันก็ให้ผลตามกิจเหมือนกัน เพราะเราก็เดือดร้อนถึงแม้เขาจะจับไม่ได้ก็าตามเราก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นเห็นคนมาในที่ตั้งสี่ก็นึกว่าเขาจะมาจับตัวนั่นนั่นนั่นตัวบาปมันเป็นยังไงตัวบาปมันก็อยู่ที่ใจตัวบุญมันก็อยู่ที่ใจถ้าเราไม่ได้ทำผิดตอนไหนเราก็ไม่ได้เดือดร้อนใจตอนนั่นนั่นตัวบุญลน่ะนั่นถูกไหมนั่นจะปฏิเสธพระพุทธศาสนาไม่ได้นั่น พระพะระุทธศาสนาสอนว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นพระผู้เป็นเจ้าใจของแต่ละท่านแต่ละบุคคลนั่นเองสร้างความดีความชั่วขึ้นนั่นพระบรมศาล า, าสอนอย่างนั้นเราเป็นเพียงขีเป็นเพียงข er. ี้บอกหิวนอนก็ต้องนอนเองหิวน้ำก็ต้องดื่มเองหรือกระหยายน้ำก็ต้องดื่มเองง่วงนอนก็ต้องนอนเองเราจะทำแทนไม่ได้เป็นเพียงขี้บอกเท่านั้น พระผู้เป็นเจ้าก็คือพวกคุณทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายพวกลูกหลานทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพวกสูทั้งหลายนั่นเองพระบรมศารีาถ้าพูดเป็นสูท่านก็พูดแบบคนกันเองถ้าพูดเป็นท่านทั้งหลายก็พูดให้เกียร์ถ้าพูดเธอทั้งหลายก็พูดธรรมดาบางทีก็พูดสูทั้งหลายพูดสูทั้งหลายแบบพูดแบบลูกหลานพูดนแบบคนคุ้นเชื่อ เอ้าโลกถ้าโลกมีเพียงสินหา้าเท่านั้นปาราธิบัติไม่ไม่ข้าไม่แกงกันอาทินนาทานไม่รักของกันกามเยสุเวทชายารยไม่ประพฤติในกามมุสาวาาไม่พูดเท็จสุราเมไรไม่ดื่มทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมี เรือนจําก็ไม่ต้องนี่ถ้าชาวโลกเห็นสมควรเป็นอย่างนั้นถ้าชาวโลกลงเอ่ยพระพุทธศาสนานี่ชาวโลกมันดื้อต่อพระพุทธศาสนาแข่งดีกับพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาต่ําต้อยด้อยไม่ทันสมัยเขาว่าอย่างนั้นคนหมดปัญญาว่าอย่างนั้นอ้ยหัวโล่นว่าอย่างนั้นไอ้ตนหัวลานนะไม่รู้ราดจนไม่มีบาปไมีบุญ นนัคําสอนใดๆในไตยโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาหมดเทมทิศจะมีกี่ล้านลานก็เป็นเมืองขึ้นของทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวฉันใดคําสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงเอก ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เลื่อมใสไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่เลื่อมใสไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้ไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้แล้ไม่รู้มันลึกขนาดไหนล่ะนั่นแม่ตัวของเราไม่รู้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราไม่รู้ว่าเขี่ยเทียบขี้ไปในทางที่เหนือเราเลืมไปก็ตามมันก็ชี้อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนนั่นนันนั่ห้อยหนองของเบืงบางต่างๆอลไรลงสูมหาสมุทรเลโดยไม่รู้ตัวชันใด นี่เทียมในทางลึกซึ้งเพื่อให้คำหนึงในหลายทางน้าห้อยน้องของเมืองบางต่างๆอะไรลงสู่มหาสมุทเใดโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆก็อะไรลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อเราไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้เราไม่รู้นั่นนั่นนน่นจริงไหมนั่นเออสิ่งไหนพระพุทธศาสนาไม่สอนไม่มีในโลกไม่มี คำสอนใดๆเป็นเมืองขึ้นของท่านหมดในระหว่างวิรามานาองค์ท่านก็อสอนท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอสองทำจิตธุระของท่านสามดำรงวงตระกูลสี่ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกข้อห้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ท, ทําบุญตุทิศให้ท่านลัค น, นสอนลูกส่วนลูกมีหน้าที่หนึ่งแนะนำในอ่ะ ส่วนลูกอ๋อส่วนพ่อแม่มีหน้าที่หนึ่งแนะนําดีหนึ่งห้ามมันกระทําความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยนําสามให้ฟังสามให้ศึกษาศิลปวิทยาสี่หาภรรยาและสามีที่สมควรให้ห้ามอบทรัพย์ภายในสมัยหน้าหน้าที่ของบิดามารดาหน้าที่ของลูกท่านยังมาแล้วเรื่องท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศ์ตระกูลเราเพื่อจะเป็นตนให้เป็นคนคนรับทรัพย์มรดก เมื่อท่านรังร่วงรับไปแล้วทำโมทิทัยท่านนั่นนั่นในระหว่างครูกับ้กับนักเรียนหรือกับอาจารย์กับลูกศิษย์พะปรมาสาสดาพอสอนหนึ่งด้วยลุกขึ้นยืนรับสองด้วยเข้าไปยืนคอยรับใช้สามด้วยเชื่อฟังสี่แล้อุปถาห้าด้วยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพอาจารย์ได้รับความลงชนี้แล้ว ยอมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยสถาน5 ห, หนึ่งแนะนําดีสองให้เรียนดีสบอกศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิงไม่ปิดบงังอําพรางสตอนไหนถูกก็ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงหําความป้องกันในทิศทางหลายคือจะไปในทิศไหนก็ไม่ให้อดอยากเธอไปทางที่นั่นเธออยากทาอย่างนั้นอย่างนั้นเธอไปที่นั่นเธออยาทําอย่างนั้นอย่างนั้นเธอลงไปกรุงเทพหรือไปในเมืองอะไรเธอจงระวงังรถราจะเหยียบเนอเป็นต้นเหล่านี้เป็นต้น นะันะัเธออย่าไปครบกิดโกกิเ ก, ก, กอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดจะบอกนะในระหว่างผัวกับเมียพระบรมศาสด า, าก็บอกด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาด้วยไม่ดูหมิน่นสั สามไม่ประพฤติร่วงใจสี่ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ห้าด้วยให้เครื่องแต่งตัวภรรยาได้รับบำรุงชะนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานห้าหนึ่งจัดการงานดีสองสเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีสามไม่ประพฤติร่วงใจผัวสี่รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไวข้อห้าขยันไม่เกียดคร้านในกิจการทางพวงถวยกรบวราละผ้าขากวกระ่เทีเ่องกรบว่าปัดมันค่เป็นเอา นั่นผัวกับเมียนี่ขอวัดค้นาหาขอสิการทะเละเบาแวงจะมีมาจากประตูดใดนี่สอนมนุษย์สมบัติ ต, ต้องโต๊ะนนั่นคือสมบัติของมนุษย์สมบัติของมนุษย์มันก็หมายทั้งศีลธรรมด้วยหมายทั้งการคองชีพด้วยอย่าสมบัติของมนุษย์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 สอประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตทีนี้ศรัทธาสมถาถึงพร้อมด้วยศรัทธาเช่นเชื่อว่าทําดีทำได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นต้นศีลสมถาถึงพร้อมด้วยศีลคือรักษากายวาจาจให้เรียบร้อยในมีเรียบร้อยดีไม่มีโทษจาระสมถาถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานเป็นการเฉดยสุขให้แก่ผู้อื่น ปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยจักว่าบุลคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นนั่นประโยชน์ภาคหน้าอะเนี่ยประโยชน์ปัจจุบันข้อสอนเนี่ยนั่นพระพุทธศาสนาสอนหมด น, นั่นการคามิตรพระพุทธศาสนาก้สอนมิตรแท้สี่จำพวกมิตรอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่มิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรพบ มดมีอภาระมีลักษณะสี่หนึ่งป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้วเชียวเว้ยโตไปเรียนเลขเรียนผ้ามันเี็บผายเศ้าซะว่าสัน่นสองรักษาทรัพย์ของเมดผู้ประมาทแล้วเมื่อมีภัยเป็นพี่เพิ่งคำรักได้ข้อสามข้อสี่เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากเข้าทีให้ยโตได้ลอยหนึ่งมาสัน่น ว่าถ้าห้ใหายสองลอยกาสองมิตรอรอวสุปร่วมทุกเวลักษณะสี่หนึ่งขยายความรับของตนแก่เพื่อนสองปิดความรับของเพื่อนไว้แพร่งพายสามไม่ละทิ้งในยามวิบัติสี่แม้ชีวิตก็อาจาระแคนได้ สา ม, มิตรเนตประโยชน์มีลักษณะสี่หนึ่งห้า ม, มกระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสมอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสี่บอกทางสวรรค์ให้สี่มิตรมีความรักใคร้มีลักษณะสี่หนึ่งทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสองสุ ข, ขก็สุ ข, ขด้วยสามโตเถียงคนที่พูดติเตือนเพื่อนสี่รับรองคนพูดสนรเสริญเพื่อนนี่มิตรจำสี่จาพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรครบมิตรปฏิรูป คือคนเทียมมิตรไม่ควรครบหนึ่งคนปอกรอกสองคนดีแต่พูดสามคนหัวประจบสี่คนชักชวนในทางเกี่หายหนึ่งคนปอกลอกมีลักษณะสี่หนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้เพื่อนน้อยกพราคิดเอาของเพื่อนว่าสามเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงไปรับช่วยงานของเพื่อนเพื่ออยากขอแตตังค์สี่คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวอันนี้ก็ไม่ควรครบ สองคนดีแต่พูดมีลักษณะสีอันนี้ก็ไม่ควรครบหนึ่งเก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศัยเพื่อนเพื่อ น, อนให้เงินจัดลอยบาทด้วยโอย้แต่ก่อนมีอยู่พันเดี๋ยวนี้ว่ามี่สองอ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปลาัยเงินเดือนออกสักกอนจะไปเอาเพราะว่าสามสองเคาะด้วยสิหาประโยชน์ไม่ได้สั่เอาของที่ให้เพื่อนบัตท่าตัวหาเอาบายเอาของเพื่อนเอาอันดีก็นี่ สง้อด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้สี่ออกปากพึ่งไม่ได้พรัดหันพัดหนีบอะไรสามคนหัวประจบมีลักษณะสี่หนึ่งจะทำดีมันก็คล้อยตามสองจะทำชั่วมันก็คล้อยตามสามต่อหน้าว่าสนรเสริญสี่รับหลังตั้งนินทาอันนี้เ็าไม่ควรครบมิตรประเทศอันนี้สี่มิตรชักชวนในทางชิบหายมีลักษณะสี่หนึ่งชักชวนดื่มน้าเมา วุ้ยนําเมาวันหันดีแ ท, ท้เที่ยวไวุ้ยพิศนิมภ์ไปอสองสักควนเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูบาร์ดูบา้าดูอะไรไม่รู้ล่ะสามสักควนให้มาเมาในการเล่นเล่นฟุตบอลทาะเชี่ย ว, วเพะว่าเล่นเตะกระต้อทอดเชี่ยวไปเตะมกินขี้แตกเข็นไปเอาลูกให้เขาให้เขาให้ขีแตกกัน น, กนั่นถือดีขนาอ ชักชวนให้เ ม, มาเมาเม า, ม า, มาในการเล่นชักชวนเล่นการพนันมิตรสีจำพวกนี่เป็นคนเทียมมิตรไม่ควรครบพระพุทธเจ้าบอกนันพระพุทธเจ้าเก่งบอกว่า ม, มันสีมากสอนเทนเน่เนได้สอนทั้งคารวาเนีนั่นตระกูลนั้นมั่งคั่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสถานสี่หนึ่งไม่แสวงหาพัทสสุที่หายแล้วสองไม่บุญนะพัทสสุขที่ข้ามข้า สามไม่ด้อยจักประมาณในการบริโภคสมบัติสีตั้งสตรีหรือบรุษทุศีนให้เปนแม่เรือนพ่อเรือนผู้หวังแก่ดารงตระกวควรเว่นสถานสประการนี้ที่อันข้อสี่เป็นข้อสําคัญที่สุดถ้าบุรุษทุศีนไปนครองเรือนแล้วะเงินจะมีกี่นั่นล้านเดี๋ยวมันก็ไปเล่นเลขเล่นผ้าเล่ น, ลนบัตรเล่นเบอร์สารพัดวัดเหว่งไม่พอสามสวันก็หมดไปนะมากขี่หึงว่าพุทธศาสนาความเป็นจริง ความเป็นจริงสมบัติในใจโลกธาตุเป็นของพระพุทธศาสนาหมดเพราพระพุทธศาสนาเบื่อแล้วมันบวมอันบวเทียงถ้าอานาขันทั้งหลายเบื่อแล้วบวมอันบวเทียงเลยเบื่อเลยนายเลยหนีซะเลยบ้าสูงอีกนี่ทำสันสูงสุดยอดของพระพุทธศาสนาเนี่ยเอา้าในโลกเนี่ยมันมีอันไหนกี่ล่างยังยืะอันบหนึ่งหยังสองหยังสามหยังบ่มีเลยอ๋อผู้ดใดสมประสงค์ในในโลกเนี่ ตาไปมุ้ยพูดสมประสงค์ักขนนึ่ค่าอ oh, ันนั้นค่าอนี้ค่าอันนั้นค่าันี่เพราะว่าส่วนพระอรหัน์สมประสงค์แล้วเพราะเบื่อแล้วถิมไอมดว่ามันเป็นคู่ญาติกะโม่เฮาก็มีต่เฮาอ่ะมาญาติกันเยอะนี่ในไตโลกทาตกูคามือเ่คากูเยอะนี่หลวงพ่อสันว่าส่วนเพื่อนะมันเบื่อแล้วเพ่นเห็นว่ามันโมมันโมเที่ยงเพื่อนเลยถิมมดคนในไตโลกทานะมันไม่ซุกกระอมยนง่าขาเห็นนี่พระอรหันกับเบื่อเมื่อไรเบื่อความหลงจากของเม่อไ ขามเธอได้หลงจากของมาหด้อยขขามเธอได้หลงจากของไปซักกูเคยหลงมาหลายศาตร์หลายภบแล้ววะศาสตหนีดอกอาสันวิญ ญ, ญาณมาที่สันติกับว่ามีตายไปแล้วเขาสู้พญ่าพานเลยไม่สําคัญต น, ตนอยู่ในที่ใดๆ ท, ทั้งสิ้นท่านกรเขาสู้พญ่าพานเลยคนเหลื่อมใส่ว่าพุทธศาสนาว่ามันคนโ ง, งงงอิพ่ออิแม่กูเหยือตโตงงผลว่าเพิ่นสี ง, งูน้าโตโตไปกินขี้เพิ่นว่าเอินแม่งว่าน แม่ครูแม่เพื่อนก็กินนํามันก็บ่ไปแล้วทังโง่นม่วันมันกัว่าประชาธิปไตยมันคือกันแม่ครูมันเพื่อนมันกับว่าประชาธิปไตยมันมันกัว่าโลกภาพเป็นมันกับว่าสังคมในย่อมแม่วันเขียวกับว่าสังคมในย่มมันคือกันนั่นแหละเนาะที่น่ามองโลกสันเนาะงั้นไก่แก้ตัวหนึ่งคณะคุยเขียหาอาหารไปเพราะพลอยเม็ดหนึ่งมีงามดีงามดีมีค่ามากจึงพูดไปเปย์ขึ้นว่า ถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเข้าเช่นนี้เขาจะเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวเหวนตามเดิมนี่เจ้ามันมีประโยชน์อะไรกับเราสู้แต่ข้าวสุกข้าวสารมาเล็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุยเฉียวไปในแปลงอื่นๆนี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของที่ดีย่อมมีแก่ประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช่ถ้าไม่รู้จักใช้แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้อันนี่ก็สับกระส่ายขึ้นกันว่าแล้วกไปถือสาตราอื่นไปคุยเฉียวในแปลงอื่นส่วนอันดับของเราบ้างอะไร พราะของดีมันหุ่จักแก่ผูกหริอจักใส่กวางกันคือแม่วันเขียวนะมันกล่ว่ามันดีบอกว่ามันถืถกอถก็ถึือเฉพาะมันมันยังว่ถือแก่ผูกแก่เปล่งเรียว่าอย่างไดรกันคนเราไม่อิสระทุกคนเพื่อได้ไม่อิรสระโยสชนได้เก่าประเสระอิจฉาชนนันนโมตัวเดียวแปรให้ครบแปดเมื่อนี้พระธมคันก็นได้นโมพระพุทธศาสนานโมเพื่อให้ระบาดบำเพ็ญบุญให้เขารักในการระบาดบำเพ็ญบุญเรียกว่านโมเบื้องต้น นโมพุทธโสตโคนนานโมเรียกนโมผานโมวัดนโมเบอวันน่ะนั่นอาวาัยยามุกทุกประเภทเป็นเป็นมนุษย์วิบัติไม่ใช่มนุษย์สมบัติเป็นมนุษย์วิบัตินะโดยตรงตรงไม่มีสารอทรุทธระเหตุที่ชั่วเราจะไปบัญญัติถ้าเป็นเหตุ ด, ดีมันก็ไม่เป็นไปกับเราเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีสร้างเหตุดงแล้วผลไม่ต้องประสงค์ก็ได้รับตามส่วนคนค่าของเหตุปลูกบาราเพ็จดองแล้วไม่ต้องร้องเรียก ขมให้มาหามันพอขมอยู่แล้วปลูกข้าวเหนียวก็เป็นข้าวเนียวปลูกข้าวเจ้าก็เป็นข้าวเจ้าปลูกเป็นตัวเหตุผลของปลูกก็คือผลของมันที่ได้มาเป็นข้าวนั่นเองนักเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุไม่สงสัยผลก็ไม่สงสัยเหตุดีก็ดีอยู่ที่ใจผลเหตุดีผลของไเป็นของสำคัญ่า เหตุใจอันใดที่รู้ตัวผลของใจอันนั้นก็นํามาโดยรู้ตัวเหตุอันใดไม่รู้ตัวผลของใจอันนั้นก็นํามาโดยรู้ตัวไม่รู้ตัวนะเหตุกับผลเมื่อเหตุกับผลมีอยู่แล้วก็ต้องเรื่องเหตุที่ทำธรรมัญญาตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัตถัญญตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งนี้ผู้รับเหตุรับผลก็คือใจอันเดียวไม่ใช่เรียนฝ้าอากาศใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัััญหหหาาใใจจสสรร้้้งงงเเตตตุุลลแวก็ออบผขนน่ เหตุที่โกรธใจสร้างขึ้นผลของใจก็โกรธเหตุที่ไม่โกรธผลของใจก็ไม่โกรธนั่นเหตุที่กว้างขวางผลของใจกว้างขวางเหตุของใจที่เมตตาผลของใจก็เมตตานั่นเหตุที่ทเลาะวะแวงผลของใจก็ทเลาะวะแวงเหมือนกันนั่นเหตุก็ผลมาอยู่ยินฟ้าอากาศอยู่ก็คิดก็ใจพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นพระผู้เป็นเจ้าใจเอาละที่นี่แจกหนังสือกันเมื่อยล่ะอย่างสือกันปาเอาหนังสือมาให้ มีที่ตั้งมีัี่ตังจุมังคีภเวสมิจตูสเพยภเรนตสังขบัญฑูปนโสยธามณีโชติาโสยธาุะพีตโยยวจนะสปุโะะโยตุโกวินัสสตวเตภวะตวันตาโยตุีีาโกอภิวตนาสีิจานีจังมุตาปชาโยจะตารธรมาวัฏันติอายวโนสุขังภาละโยนิสีทุกต้นหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงุ่ทุกนาเทินโยนิสีผู้เกิดในคันในไข่ในเท่าในไข่และเกิดผลขึ้น จงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกมาเทินสุขในพุทธธรรมสงฆ์สุขไม่ถอยหลัง